ให้สังเกตมึงให้ดีเวลาลมเข้ามันยาวมันสั้นแต่เวลาลมเข้ายาวก็ให้กำหนดลั่วมันลมเข้ายาวผมออกยาวก็ให้ลั่วมันออกยาว ให้คอยสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกขัะนล้เท้าทำสมาธิอยู่มันบงวง่วงหรอกจีเขาเข้าเป็ดสมาธิสมาธิบ่ิเวนสมาธิธรรมดาสมาธิอย่างลึกซึ่ง จนบ่มีลมบ่มียังมีแต่รูอันเดียวกายเห่าบวมีเหากำํำนดได้แต่ว่ารูอยู่ซื่อเห็นอยู่ซื่อภายในบ่มีโตมีตนบ่มีร่างกายบ่มียังอันนั้นเรียกว่าเห่าทำสมาธิเข้าถึงสมาธิแล้วมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีลมเดียว บอกคิดนึ่งสงสายไปเรื่องอื่นเฮาบอกคิดนึงกงมันก็ละเอียดลงไปให้คอยบังคัด ค, คอยบังให้มันแน่นอนมันทิวางลงไปดอกตอนี้กให้วางหลายคนแล้วเนี่ยให้ตั้งใจ อยู่กับลมหายใจฮะลมเมืไปก็บ่าต้องไปกำหนดอีกว่าลมเมืให้รู้เถอโอ้รู้ว่าลมเมืไปแล้วแต่ ม, มันไม่เหมือนตอกต่วสติเฮามันคุมคิดไว้มั่นคงมันก็นเลยมีอารมณ์มันได้เข้ามาแทรกแซงได้จิตใจของเฮาก็สิ้หุ้งยั่ง มีสิติกับสมาธิแนี่ยเน่อยู่ทธนันใจก็ก น, นุ้าละใจก็เป็นนึ่งพอคิดพุ่นคิดที่อันนี้เดี๋ยวเขาถึงสมาธิแล้วต่อไปต้องเป็นเรื่องของวิปัสสนาเรื่องของวิปัสสนาก็คือพิจารณากายของเรานี่แหละพิจารณแยกออกไปจากกัน ให้เห็นเราบ่อเที่ยงเป็นทูก์เป็นนาตาแยกยังไดวัดตีแยกเอาผมออกไปวางไว้ส่วนหนึ่งเอาขนออกไปวางไว้ส่วนหนึ่งเอาหนังออกเอาไปวางไว้ส่วนหนึ่งเอาเล็บออก เล็บมือเล็บเท้ า, อ, าออกเอาไปวางไว้ส่วนหนึ่งหนังออกหมดแล้วเรือแต่เนื้อแบบนี้เนื้อของเห่าเนี่ยไอพี่นาเอาออกอีกก็ไปวางไว้ส่วนหนึ่งตอนนี้เรือแต่โครงกระดูกด้วยตับไตไส้พุงก็ออกหมดแล้วแบบนี้ออกไปวางไว้ส่วนหนึ่งแล้ว เนื้อแต่กระดูกวะนี่กระดูกก็มมีเส้นเอ็นลื่ลางไว้ยึดไร่ก็มันก็ลนออกจากกันก็วางกล่องไว้วันหนึ่งเอาหัว น, นั่นนะ่ะกโหลกศีรษะก็แขววงๆเอาไปไว้ให้มันยิ้มอยู่หันะละงัน่ะอันนี้หละ ให้เฮาแยกตัวของเฮาจากกันอันนี้ผนเอนิ้นีปัสนาสิ่งทั้งหมดนี้เทียงหือบวาเทียงถ้าพิจารณาเบิกแล้วบวเทียงบอกคงทนถาวรมันเกิดได้มันดับได้แน่ตัวเฮานี่เกิดได้ดับได้แยกส่วนออกแล้วบวมีส่วนไหที่เป็นตัวเป็นตนของเฮาเลย บ่มีเลยบ่าว่าส่วนใดบ่มีตัวมีตนในหั่นเลยซี่ใส่กระดูกก็เนี่ก็เป็นกลองกระดูกบ่มีห้าอยู่ในกองกระดูกซี่ใส่เนื้อซี่ใส่หนังก็หนี่เนื้อหนี่หนังตามส ม, มุิโลกว่าอย่างนั้นอ่า่าบอกด้กขัดกับโลกแต่ว่าพุทธเจ้ า, าสมมติทางมดมันบ่เทียงเนี มันบดเที่ยงมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็แตกสลายไปเหมือนน้ําบนใบบัวนี่น้ําบนใบบัวเวลาฝนพระอาทิตย์ขึ้นมาใบบัวนั้นก็น้ําอยู่บนใบบัวก็แห้งเหงื่อทายไปเลยเหมือนน้ําอยู่บนหอยโขดหอยงวัว น้ำฝนตกใส่นะหอยงวนนะมันหงโยมันมีดินเหนียวก็หงโยส่วนระยะหนึ่งท่านเองถือพระแสงอาทิตย์แสงพระอาทิตย์ห้อนใหมเขามามันก็เฮียดแห้งหายไปว่าอยู่ได้ว่าสามารถอยู่ได้นี่แหละชีวิตของคนมันว่ามีอย่าง มีเนื้อหนังมางสานี่แหละส่วนหยาบนะแล้วก็คิดคือมีรูป ก, กับน้ำรูป ก, กับน้ำรูป ก, ก็คือสังขารร่างกายของเฮาทั้งหมดนี่แหละเรียกว่ารูปคือหูบส่วนน้ำก็คือใจของเฮาแต่องเฮาเป็นน้ำจับต้องว่าได้บายว่าได้ ส่วนเนื้อหนังมังสารนี่เราจับต้องได้ว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นส่วนนั้นส่วนนี้อยู่อืนี่แหละให้พิจารณาลงไปในตัวเฮานี่ว่าเฮาเกิดมานี่มีความแก่ความเก็บความตายเป็นรักเฮาจิตต้องได้รับ แม้บอกเก็บบ่กแก่บอกตายตอนนี้ก็ช้างเอาก็ลองลอกเนื้อลอกหลังออกจากกันมึงดูดึงออกทึ่งออกบอกให้มีตัวตนอยู่ในนี้เลยมันก็เป็นของบัเที่ยงนั่นนั้นเป็นมันเป็นบัเที่ยงมันก็เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์กข้าเจ้าข้าเป็นทุกข์ ทุกคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องไหลเรื่อยไปคือกระร่างกายเฮาหนุ่ก็ไหลไปไหลไปไหล ไ, ไ, ไปจากหนุ่มเป็นจากเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นคนแก่คนเท้าต่อไปก็ย่งางกรย่ากเดินกรยากลําบากวัดทุกอย่างเหมือ น, นี่กลมแก่เข้ามาครอบงำเหมืนนี้ต่อไปก็ความตายนั่น มันเป็นอันนี้จังทุกครั้งอนาตตาจริงๆเนี่ตัวเฮาเนี่มันตรงอยู่ในกฎอันนี้คือกันคือกฎแห่งความไม่เที่ยงแห่งความเป็นทุกข์ความเป็นอนาตตาแต่เฮาโบเซีอก็ลองเบืองตัวตนของเฮาที่เป็นส่วนหยาบส่วนเนื้อเนี่ยมันว่าได้มีไปในะโลกหรือสวรรค์เนี่ยมันก็ต้องเข่าทิ่มอยู่ในโลกอันนี้รอเราล อ, องเผ่าเบังดู ไอ้กองฟืนขึ้นแล้วก็ไปเผาเผาแล้วมันเหลืออีหยัง่งมันมันก็เหลือจะเท่ากับฐานตัวเท่าฐานนั้นเอามาบดให้แะเอละเอียดบดให้แหลกไปเลยโมมีหยังอยู่ในนั้นเป็นฟุนเท่าก็เป็นฟุ น, น, ฟนหนังก็ เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกว่ามตบปอดใส่ใหญ่ส่น้อยอาหารแม่อัหาเก่านี่เป็นฟุตมัดกระดูกเข้ากับวตให้ละเอียดใช้โคกต่ำให้มันแตกมัดเลยละเอี ย, ยดเป็นคุยพงเลยวะ น, นี้เอาใส่ถาดกระดงห้อนดีดีเออแล้วเอาสลัด ดูซัดขึ้นบนฟ้าเน่ยสาดขึ้นบนฟ้าคนน่ะสาดขึ้นไปก็งไงทวนเลยจะไปยังไปยังล่ะบรเห็นตัวตนบนได้มีเนี่ยตัวตนหราเอาไปมัดไปแล้วสกายยาทิธิความเป็นเห็นว่าเป็นตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนบอกรึไงบอเที่ยงแท้แน่นอน วอกีรังยั่งยืนเฮาก็นเทนซ์ซาด้เป็ีนทังสี่ตัวนี่วอกีรังยั่งยืนเป็นทังสี่ในชุก็แตกสลายไปบมเมียงเลยเอาพ่สให้ละเอียดแล้วเผาหลังจากเผาแล้วโหดทใหละเอียดแล้วเอาใส่โรงแล้วก็สาดขึ้นฟ้าเนี่ยไงทวนรถแต่ไปยังปย่งไปยั่งวะนี่หาตัวตวนพอเห็นเลยนี่ให้เฮาเทั้งซี่กินเฮาสีทะลุทะลวง ให้มองเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าสัดเจียนขึ้นมาในใจมีอย่างข้างคาอยู่สักอย่างเลยพอใจเฮามันวางแล้วมันบมีตัวตนแท้จริงแล้วมันก็วางหมดพอวางหมดแล้วก็จิมีอย่างไหม่มีอันไดเป็นเครื่องเหลืออยู่แล้วมีแต่คิดคิดก็ไปแล้วเด้ไปชู่สวรรค์แล้วจิดอ่ะ ไปสวรรค์แล้วจิตเฮานะ่ะถ้าลงมาเกิดก็ได้บ่ลงมาเกิดก็อยู่สวรรค์ต่อไปสวรรค์ก็เป็นซื่อแห่งความสุขความสบายความลื่นเรื่องเหมือนเทิงใจนะ่ะมว่วนเชิญวสุว่าเช่าบ่ามีความขุนมัวอยู่ในใจม่วนเชอันนี้หมายก็ว่าเฮาได้ทำแล้ว แห้งขากหลายขึ้นไปกว่านั้นอีกมีความทุกข์จากการเกิดขึ้นของธรรมะในใจเฮานะ่ะที่เกิดขึ้นในใจเฮาแล้วนะ่ะใจเฮาสีบอตกต่ําเลยแบบนี้สีบอตกไปเป็นจิต ด, ดิรลสานเปรตและสุลกายเลยชาตนโลกก็ไม่ได้เปลี่ยนนี่บอเป็น่ยนยังบอเกิดในภูมมันต่าแท้แน่นอนพราอย่างข้อเฮาได้ หลักในการปฏิบัติแล้วเอาเห็ดอยู่เูมือได้แบบนี้นอนอยู่เขาก็เห็ดเด้อคอยกำหนดรู้อยู่หูงเมื่อแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็อาบน้ำอาบทาแล้วก็ก่อนสิกินเข้ากับนางสำรวมใจสงบลงไปพอใจสงบดีแล้วเขาก็ยุดยูดั้งยุดกำหนด เขาก็มากินข้าวกินน้ำด้วยความตั้งใจดีว่ให้เผยให้มาลืมกกินกินอิ่มแล้วเขาก็จัดการตามหน้าที่เหตุเรียกเหตุงานต่อไปเบิดมื้อน่ะขมมาอาบน้ำอาบทานแล้วกินข้าวกินอย่างแล้วก็เฮ็ดอิ่มเอนอันนี้มาคอเฮ็ดป็นการไงสําหรับเขาแต่ในครอบครัวบทีทุเล่านั้นนี้เขาก็เฮ็ดได้อืม มันเป็นทั้งสมาถิมันเป็นทั้งวิปัสนากก่เขาเนี่ยสมาธิกัความสงบเขาเห็นไอเดียมันจึงสงบกับกำหนดรูดล้ลมหายใจเข้าออกมันก็สงบถ้ายิ่งขึ้นไปกว่นั้นก็คือวิปัสนาก็แยกแยะส่วนร่างกายของเรานี่ยแยกออกจากกันดึงออกจากกันบ่ให้มันติดกันได้ให้มันอยู่เป็นส่วนไห่ส่วนมัน เฮาก็สี่เห็นตัวตนของเฮาว่าโอ้อันใดก็บปรมาณของเฮาจักอย่างเนาะนี่ตัวนี่นี่มักกษสกายยติทิความเห็นว่ากายนีเจียงทนถาวรแน่นอนบอเกิดบอกแกบอแก่บอกเจ็บบอกตายบอกใหม่บอกเอ่อบนเอาบบมินอันนั้นเป็นเข้าใจผิดนะสกายยติทิไปว่าเห็นกายนี่เที่ยงแท้แน่นอนแต่พุทธเจ้าให้เห็นว่ามันบวชเที่ยงมันบวแท้มบวแน่บวนอนจักอย่าง เขาคอยเบื้งคอยดูอยู่สั้นแหละเมื่อหนึ่งเฮ็ดได้สองเท้าก็ดีตอนเช่ากับเท้าหนึงตอนคำกับเทืาหนึงถ้าเฮ็ดพอได้ก็เขานั่งอยู่เข้าได้เวลาว่างเขาก็ลองคอยเบื้งลมหายใจให้ใจเข้าก็สิสงบลงไปใจเข้าก็สิสบายลงไปมีสุขลงไปจิตตั้งเทียงตั้งมันแล้วก็ ที่จะละนาไก่อันนี้วัดึ่งโอ้เห็นเ่าเป็นของโวเที่ยงเนาะเป็นทุกข์เป็นนิสัาเนาะเห็นชัดในใจขเขาวับหนึ่ง น, นั้นแล้วคุณธรรมของเขได้กินอาหารของเอ่อได้กินอาหารของทิพคือของธรรมะนะใจของเขาเนี่ยนั้นได้ธรรมะขึ้นมามันสบายมันมีสุขวันนี้ถ้าเป็นสั้น พอให้ก็บ่ให้พอด่าก็บ่ด่าพ่อตีก็บ่ตีลูกเตา้าลูกหลานอยู่นําเฮียนนําชานเท่า น, นั้นเข้าไม่ให้บ่ถือเขาเขียนเลขากรอนอันนี้เฮาจะมีใจเมตตาเลยรแบบนี้โอ้ลูกหลานนี่ก็เกิดเป็นคนเนาะคอยว่าค่อยจ่าได้แบบนี้เออเห็นแต่สั้นเลยลูกเห็นสี่รุ่น ล, ลูกนี่มันก็เป็นความยุติธรรมของสังคม บ่เบียดเบียนกันใครมันสิไปทางซัวเขาก็ค่อยตักเตือนอบรมสั่งสอนเอาบ่าให้บ่าดาบ่าบ่จมบ่อย่างให้เอิ้นมาแล้วก็นั่งลงแล้วก็คอยอบรมลูกเตา้าลูกลางก็ถิกลายเป็นคนดีวัดวันนี้ก็เฮาบ่าได้ใช้อำนาจเด้เฮาใช้ความเมตตาที่เฮาถึงทำแล้วมันเกิดเมตตาขึ้นมาเองเฮาก็เอาเมตตาทำของเฮานั่นแหละคอย ยี่ค่อยบอกแต่ว่าก็แพ้พลังคิดลงไปในหัวใจมันคือลูกคือเต้าคือเล่าหลานทอนลูกเต้า ล, ลูกหลานเขาก็แพ้มิตตาลงไปในยิฐเขาแล้วก็ค่อยอบรมสร้างสอนแต่เอ้อเวลานี้มันสร้างสอนพอได้ก็แล้วไปสะกอนโอกาสที่มันใจดีนี่หรอกเขาก็สอนมันสอนไปสอนมามันก็จะดีขึ้นมันก็จะมาหัดสมาธิภาวนากับเขา เออคุณยายคุณยายนี่บ่ให้บห่บดา่าเนาะมีแต่เมตตามีแต่ความรักความเห็นอกเห็นใจใจมันก็จะเปลี่ยนไปบ่เหตุชั่วบ่เหตบุบาปบ่เหตุนั่นเข้าก็คอยอบรมสั่งสอนลูกเต้าลูกหลานให้เป็นคนดีต่อไปอันนี้ก็ได้ประโยชน์สองต่อผลจากเขาได้มีความสุขในสว่าการบรรลุธรรมแล้วก็ยังบ่อพอยังยังได้เมตตาต่อคนอื่นที่อยู่รอบข้าง มือรีรอบตัวผัวผัวเมียลูกเต้าเล็ดลานเลนเขาก็คอยอบรมสั่งสอนเขาให้เป็นคนดีตะกูลนั้นทางมัดก็เลยมีแต่คนดีทางนั้นเลยบรเิเฮตชั่วเฮตบาประทำความพิษประทำอย่างี่มันบด่ดีนี่แหละเป็นวิธีซักสร้างบเป็นวิธีสั่งสอนหรือว่าฝึกหัดตัวเองจนได้บรรลุมรรคผล ได้มาขนแล้วก็จิตใจสุ่มเย็นวิลามันที่สูญมันก็มีสติขึ้นมาวับความศูญก็หายไปมันวกเกิดขึ้นกอเฮาพระทันถึงสูงเฮาถึงสั้นต้นนี้กร้างมีตาคิดของเฮาก็มีนางวีสาคารมีลูกหลานตั้งสี่รอยคนลูกหลานรวมแล้วสี่ร้อยคน เวลาไปวัดพระเชตวันนี่ผู้หญิงทุบนี่แห่กันไปนางวิสาขาเขาไปน้ากัดกับเขาหันละโมฮูจักว่าผู้ใดเป็นนางวิสาขาพอเห็นผู้ใดผมงอกแจกลง น, นางวิสาขาผมบังอกเนียมันเป็นอํานาจบุญเนี่ยผมบังอกเลยไปกับลูกกับหลานนี่โมเห็นด อ, อกสังเกตพอออกก็ผู้ใดเป็นนางวิสาขานั่น แค่ในเฮาสิหูป่ะนี้คน้นนมคนแน่นนี่คน้นนมแน่นเฮานี่เวลาสีนั่นก็นลุกขึ้นก็นลุกได้รวด ท, ทันทีเลยไม่ได้ค้ำพื้นไม่ได้ยันพื้นนางวิสาขานีนเวลาสิลุกเอามือหยันพื้นสะก่อนนั้นเขาก็สังเกตุถึงท่นโอ้ชมหนุม่มชมสาวพวกนั้นบอกเป็นนางวิสาขาคนที่เอามื อ, อยันพื้นผู้ดเดียวเท่านั้นเองคือนางอีสาขานั่นละ ป่านนั้นล่ะลูกหลานนางพิสาขาเป็นคนดีมัดทุกคนเลยสอนให้เป็นคนดีมู่พวกก็สอนให้มู่พวกกินเหล้าเมาเบียร์นางพิสาขาก็พาไปหาพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าก็เสี่ยงเราไปนำเอาเราไปนํ า, านพอได้จังหวะก็พกันกินเหล้าพร้อมกันต่อหนหาพระพุทธเจ้าออื เมาไม่ร้องลัมทำเพลงขึ้นมานี้เหมืนขายหน้านางวิสาขาเพาะั้นว่าเสีดขายหน้านางวิสาขาชอบมาแต่วัดโบไปกินเที่ยงโมไปหั่นไปนี่โมไปยุ่งเรื่องอื่นโมไปเจริญโมเมาอย่างตามเรื่องของโลกโมไปนางวิสาขาโมไปเมื่อนางวิสาขาโมไปในทางยังสั้นพาไปวัดไปว่าพวกนี้ก็บอกพอใจก็เลยเสียดขายหน้านางวิสาขาพระพุทธเจ้าก็เลยตัดว่า แสดงฤทธก่อนมืดทึบลงไปเลยไฟโบมีโบฮว ง, งเลยแบบนี้โบมีไฟไฟดับวัดโบมันไฟฟ้าได้ไฟธรรมดาเนี่ยดับวัดโบมีอย่างแจ้งคือมืดคือมันแจ้งแจ้งอยู่นี่แหละแจ้งแจ้งขาวๆอยู่ที่ห้าเปลียนนี่แหละพระพุทธเจ้าแผ่พยานขึ้นไปปุ๊บอิทธิปาฏิหารขององค์ทําให้มืดทึบเลย เมือ่อบ่มีฟืนมีไฟยังบ้านนี้มืดเลยพวกชุ่มกินเหล้าโตกใจที่บ้านนี้โตกใจกลัวโอ้ยตกใจกลัวแล้วพววระพุทธเจ้าก็เทศว่าโกนุหาโศกิรันโทนิจังปัทลีเตสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ลุกล้วนร้อนลุกเป็นไฟอยู่โลกนี้มืดมนอนทการพวกสุเจ้าเป็นอยังบ่ไปหาความสุขบ่บไปหาแสงสว่างเล่า เป็นยังว่ไปหาแสงสว่างเป็นยังจะมามัวเ ม, ม, ม, มาประมาทอยู่ยังซี่อาพุทธเจ้ากว่างซี่ต่อไปโพวกประเทศสนาสั่งสอนว่าให้ทําความชั่วอย่างๆมูนางวิสาขาก็เลยเป็นคนดีด้ว่านั่นนี่แหละเขาเป็นคนดีคนหนึ่งในครอบครัวทุกคนในครอบครัวก็กต้องดีนําสอนมาได้ทางหนึ่งก็รีบสอนทางหนึ่ง อันนี้เอาไปใช้ในครอบครัวเฮียนซานก็ได้ภาวนาเนี้บผมไม่บอกแต่เข้าวัดเข้าว่าย่างเดียวใช้ในคร อ, อบครอบครองเฮาก็ได้อยู่ในปกครองของเฮาคนอยู่ในปกครองเฮาเฮาสามารถอบรมสั่งสอนเขาได้พอเฮามีพลังใจสูงแล้วเดว้พอมีพลังใจสูงแล้วมีความคิดความอ่านที่ดีแล้วจิตใจเบิกบานอยู่เส ม, มอสุเวนพอเฮาปฏิบัติธรรมเน้ การปฏิบัติธรรมแล้วทั้งจมทั้งวานั้นแปลว่าบอกเข้าถึงธรรมมันเข้าถึงธรรมคิตใจมันสบายเนี่ยมันบอกวุ่นนี้วุ่นวายเด้มันบอยุ่งยากอย่างจักอย่างเด้มันสบายเว้ดจิตใจเข้าสบายแล้วยามก็ดีเว้ดสบายเว้ยก็แึงว่ามโนบุพังกามาธรรมามโนเสถามโนมยามโนสาเกปุทุเทนะ พาติวากโลติวะตะโตนางทุกขามันเมติจั ก, กังวะวาโตประดังคนที่ชั่วก็พอใจสิดีก็พอใจใจเป็นสภาพถึงก่อนด้วยถึงก่อนทุกอย่างเลยกลัวทุกอย่างเลยใจเรานี่ใจเร า, าเป็นหัวหน้าใจเราเป็นแย่ใจเราดีใจเรางามใจเรามีสุขได้ชั่วได้ ได้สัวก็พอใจได้ดีก็พอใจเป็นว่าเหมือนรอ่รอล่อเกียรมุลไปตามรอยโกฉะนั้นเปินว่าอย่างซี่นี่หละมันเป็นจากส่นภาวนานี้เฮ็ดให้มันถึง้ามันถึงแล้วมันดีโรดมันดีโรดใจเฮาดีแล้วยังก็ดีวัดเพราะว่าเรื่องใดๆมันดีวัด พอใจเป็นสภาพถึงก่อนหนีก็พอใจสัว ก, ก็พอใจเฮานี่แหละได้โชคได้ทุกข์ก็พอใจเฮานี่แหละได้ใจเฮาสั่งเนี่ยกายจึง ท, งาทําได้ใจบ่สั่งกายทําบ่ได้ทําบ่ได้เลยมันเป็นสั้นเพราะฉะนั้นให้พยายามอบรมใจนี่ให้มันดี อบรมครั้งแรกอบรมให้มันมีสมาธินี่แหละให้มีศีลมีสมาธิมีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยแหละอบรมให้มันเป็ี่ยนอยงซี่มันจะเกิดความสุขความสบายขึ้นมาโดขัดเท้าได้เห็ุได้ทำมมันได้ประโยชน์ตั้งแต่เท้าอยู่วไปขเท้าพิจารณากายของเท้าให้เห็นโบเที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาแล้วแยกส่วนต่างๆออกแล้วเผาทิ้มแล้วบบมียั้งเหลืออยู่ อันนี้แหละมันเทศยบได้เขาถึงอัดถึงทำถึงคําสอนของพระทีเจ้าสิรู้ว่าโอ้โลกนี้มันมีอยู่สองอย่างเนาะมีวิญญาณกับโบมีวิญญาณทั้งของมีวิญญาณก็ตามของโบมีวิญญาณก็ตามแตกสลายได้เหมือนกันวัดภูเขาว่าสูงๆต่อไปก็เตี้ยลงหลายร้อยหลายพันปีหลายหมื่นปีหลายแสนปีก็เตี้ยลงตามลงดินโผลสูงขึ้นสูงขึ้นบอลต่าก็ คูณขึ้นบนสูงก็ตามลงให้ทุดเสมอกันเมื่โลกนี้คืออย่างเมืองลาวเขานีผู้เขาล้ลยไปใช้ก็มีแต่ผู้เขาคิตใจกระเบิกบานอากาศก็บริสุทธิ์ดีหายใจอิ่มนี่แหละเข้าสฝึกปฏิบัติอยู่อสก็ได้เบิดนั่ละ คอยกำหนดรูลมสื่อเิดาเข้าขับรถขับลาเขาก็ตั้งสติตั้งสติมีสมาธิในการขับรถบอกเว่าเข้าไปกำหนดลมนี้วะนี้ถ้าเขาสิขับรถขับล า, าไปนั่นไปนี่เขาก็ตั้งความรู้สึกไว้บอกให้มันเปอบบอกให้มันลืมบอกให้มันหลงเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ในการขับรถได้คนมีสมาธิก็เทำงานได้อย่างเข้า รับโทรศัพท์มือหนึ่งขับรถผิดกฎหมายแล้วนะเมืองไทยผิดกฎหมายเหตุเราผิดกฎหมายรถเขาจับรถนี้ป้องกันอยังป้องกันความเผลอความลืมรถสิชนกันฮะเนี่ยจึงให้ากาหนดกฎหมายขึ้นมาว่าบ่าให้รับโทรศัพท์ในขณะที่ขับรถอยู่ พยายามก็้เป็นเสนเพราะว่ามันบมีสติแล้วมันมีสติแยกไปอีกทางหนึงแล้วสมาธิมันก็ไปทางหนึ่งแล้วไปอยู่กับโทวเราสาปพลขับรถมันก็ไปเรื่อยส่วนคู่ส่วนคนไปได้เป็นไปได้อันตรายหลายอย่างเนี่ยสติสมาธินี่มันใช้ได้ถูกแนวเนี่ยวันวานะขับรถเลยสินั่งเข้าสมาธิคือเอาอยู่เฮียนนีมาได้ก็ให้รู้ว่ามีสมาธิในการขับรถมีสติในการขับรถ หัวถึงหั่นถึงนี่ถึงโน่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจิตใจเฮาก็อยู่กับความรู้สึกันนั้นอันนี้ก็เอาสมาธิมาใช้ประโยชน์ได้อีกเหมือนกัน น, นอกจากอบรมลูกหลานแล้วก็ยังเอามาใช้ในงานในเบียยเขาได้อีกคือถ้าเฮาโยนซื้อเฮากับค่อยกําหนดเบิง้งเห็นความสงบในใจแท้ๆสบายจิตใจเฮานี่สบายสมเย็นแท้ๆ คอยพากันปฏิบัติปฏิบัติธรรมนี่มันดีที่สุดมันประเสริฐที่สุดเลยถ้าเฮาได้แล้วเฮาจะไปสวรรค์ก็ได้เฮาสิไปพุทธมลโลกก็ได้เฮาจะไปรักนรกอเวกีนี่เฮ ไ, ไปหรอกแม้เฮาจะมาเกิดเกียรติาติกระสางเฮาโตกตามเจ้าชาตเลยเกิดเป็นลูกเศรษฐีเกิดเป็นคนทางคนมีเกิดเป็นคนราซามหากษารสัจเป็นได้เท่านั้นแหละ พระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยนี่ก็ปฏิบัติธรรมเลยอืาพระราชินีก็นั่งสมาธิเลยเคยสมาธิไปหาหลวงพเทศถามเรื่องสมาธิเลยทรงถามเรื่องสมาธิเลยสวนนาธรรมกับหลวงพเทธวัดหินอเป้งอันนันแะ ในรลวงพ่นมีปฏิบัติธรรมคือกันนั่งสมาธิคือกันมีเมตตาต่อสาวโลกสาวป ร, ประเทศไท ย, ยประเทศอื่นคือประเทศลาพวพระองค์ก็เมตตาไปยังจีนเป็นสั้นกรเพราะพระองค์มีสมาธิมีคุณธรรมในใจ น, ะนั่นแหละถ้าเขาเข้าใจแล้วว่าการที่เกิดมานี่ มันมีแก่มีเก็บมีตายมันมีพัดภาพมันมีการเป็นไปต่างๆนานาถ้าเราทำมาปฏิบัติมาคุ้มครองกิจใจแล้วมันจะมีความสุขมันจะได้รับความสงบเย็นใจมีความสบายมีความเป็นหนึ่งกิจใจเป็นหนึ่งโมเป็นสองเป็นสา มันบอกฟุ้งซานตัวไปมันคิดแนวอยู่อันเดียวอันนี้ละให้พากันปฏิบัติให้เหตุให้ทำให้มันถึงมรรคถึงผลถึงความสำเร็จในธรรมของคุทพรเจ้าใน ด, ดูเห็นแจ้งชัดในใจของเาอราบ่ลงบ่ลืมอีกเลยคิตใจนี้ก็เที่ยงมั่นต่อคุณพระราไตคือพระพุทธเจ้าพระธรมประสงค์ คิดใจเฮาก็จเจริญรุ่งเรืองมีความสุขความสบายเกิดมาแล้วก็มาเห็นธรรมมาได้ฟังธรรมมาได้ปฏิบัติธรรมแล้วมาเห็นความจริงของชีวิตว่าเฮานี่มีเกิดแก่เก็บตายนั่นคือการวัดในโลกนี้เฮาก็ตั้งใจปฏิบัติให้มันดีต่อไป กันเทศเถึงแล้วมันมีความชุกความสำเร็จตอกมันก็มความสบายใจหรอกกันเทศบ่เถืงก็ยังบ่ปันไหนกันเทศเถืองได้วมันก็โอ้ยผมรู้สึกว่ามันสบายแต่เนมันดีอยู่ตรงนั้นล่ะส่ำบายดีทุกคู่สุกค้นตั้งแใ่ปฏิบัติต่อไป